าอาจารย์มั่นเห็นยายเกี่ยวกับปัญหาโลกแตกของเราที่เรียนถามแม้ไม่เรียนมากมายนะักแต่เวลาท่านหยิบยกออกมาคล้ายกับปัญหานี้เป็นเส้นงน้ำแก่พระศาสนาและท่านตลอดตัวเราเองแบบจะเยียวยาไม่ได้เรารู้สึกเห็นพ่อของตัวและเกิดความไม่สบายใจหลายวันทั้งที่ความจริงเราก็ไม่ได้สงสัยว่าสมัยนี้จะไม่มีผู้สามารถบรรลุธรรมได้ท่านเลยสับเค้กเอาเสียนับว่าพอดีกับคนปากวายอยู่ไม่เป็นสุขแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ได้ฟังธรรมท่านอย่างถึงใจ เท่าที่ผมเล่ามานี้ยังไม่ถึงเสี้ยวแห่งธรรมลึกซึ้งและเผ็ดร้อนที่ท่านแสดงนั่นเลยนั้นยิ่งลึกซึ้งและเผ็ดร้อนยิ่งกว่ามหาสมุทรสุดสาครและไฟในนรกแม้เรื่องผ่านไปแล้วท่านยังใส่ปัญหาผมอย่างเน็บแนมเรื่อยมาบางครั้งยังยกปัญหานั้นมาประจานต่อหน้าที่ประชุมอีกด้วยไม่ให้เสร็จสิ้นลงง่ายๆว่ามิจฉาทิฏฐิบ้างเทวทัตทํ า, าทลายศาสนาบ้างแหลกไปหมดไม่มีชิ้นดีเลยจนทําให้หมูเพื่อนสงสัยมาถามก็มีว่า เป็นดังท่านว่าจริงๆหรือผมต้องเลยชี้แจงให้ท่านทราบว่าผมไม่ได้เป็นไปตามปัญหาที่เรียนถามท่านเป็นแต่อุบายเพื่อฟังธรรมท่านเท่านั้นปกติถ้าไม่มีอุบายแปลกๆขึ้นเรียนถามท่านไม่เทศให้ฟังแต่การยกอุบายขึ้นเรียนถามนั้นผมเองก็โง่ไปโดดไปคว้าเอาค้อนมาให้ท่านตีหัวเอาแทนที่จะยกอุบายอันราบรื่นดีงามขึ้นเรียนถามและฟังท่านอธิบายพอหอมปากหอมคอนตามปกติก็เป็นดังหลวงปู่ขาวเล่าให้ฟัง ทำามืมีอะไรแปลกๆเรียนถามท่านก็พูดไปธรรมดาแม้เป็นธรรมข้เป็นไปอย่างเรียบเรียบไม่ค่อยถึงใจนะเมื่อเรียนถามปัญหาชนิดแปลกๆรู้สึกท่านคึกคัะและเนื้อธรรมที่แสดงออกเวลานั้นก็เหมาะกับความต้องการดังที่เคยเรียนแล้วในประวัติท่านความจริงท่านก็ไม่ได้สงสัยหลวงปู่ขาว่าเห็นผิดไปต่างๆดังที่ท่านดุ ด, ดาโกเขียนแต่เป็นอุบายของท่านภู้ฉลาดในการแสดงธรรมย่อมมีการพลิกแพลงเปลี่ยนแปล ง, ปล ง, ปล ง, ปลงไปต่างๆเพื่อปลุกประสาทผู้ฟังให้ได้ข้อคิดเป็นคติเตือนใจเป็นานๆนบ้าง ไม่ใช่นนั้นก็จะพากันนอนกอดความโง่ไม่สนใจคิดอะไรกันบ้างเลยและจะกลายเป็นกบข้าอกบัวอยู่เปล่าๆพอถูกท่านสับเกเกซะบ้างดูเหมือนหูตั้งตาสว่างขึ้นในบ้างนิสัยพระทุโธคำฐานสายท่านอาจารย์มั่นชอบคู่เข็นสับเ์รกอยู่เสมอจึงพอได้สติปัญญาคบคิดบ้าง่าแสดงไปเรียบเรียบฟังไปเงียบๆไม่มีที่สะดุดฉุดใจให้ตื่นเต้นตกใจและกลัวบ้าง ใจคอยแต่จะหลับในไม่คอยได้อุบายพอเป็นเครื่องส่งเสริมสติปัญญาบ้างเลยกิเลสชนิดต่างๆที่พอจะแทงหน้าอยู่แล้วมกักได้โอกาสออกเพ่นผ่าดออกควรและรังควานใจพระอุบายไม่ทันกับความฉลาดของมันเมื่อได้รับอุบายแปลกๆจากท่านเพราะการเรียนถามปัญหาเป็นสาเหตุสติปัญญาก็รู้สึกคลึกคักแพรวล่าขึ้นบทังนั้นที่หลวงปู่ขาวเรียนถามท่านอาจารย์มั่นแม้จะผิดบ้างถูกบ้าง จึงอยู่ในข่ายที่ควรได้รับประโยชน์จากปัญหาธรรมนั้นตามสมควรดังที่เคยได้รับเสมอมาท่านว่าปีจำภาษากับท่านอาจารย์มั่นปีแรกที่เชียงใหม่เกิดความปีติยินดีย่างบอกไม่ถูกสมที่พยายามติดตามท่านมาหลายปีแม้จะได้ฟังโอวาทท่านบ้างในที่ต่างๆก็เพียงชั่วระยะไม่จุใจเดี๋ยวก็ถูกท่านขับไล่หนีไปอยู่คนละทิศทางเมื่อพบโอกาสปาชนาช่วยได้จำภาษากับท่านจริงๆในภาษานั้นจึงดีใจมาก และเร่งความเพียใหญ่แทบไม่ได้หลับนอนบางคืนประกอบความเพียตลอดรุ่งคืนวันหนึ่งกิตสงบรวมลงอย่างเต็มที่ไปพักใหญ่จึงถอนขึ้นมาเกิดความอัศจรรย์ในความสว่างสวัยของใจซึ่งมิเคยเป็นถึงขนาดนั้นมาก่อนทําให้เพลิดเพลินในธรรมจนสว่างคาตาไม่มได้หลับนอนเลยในคืนวันนั้นพอตื่นเช้าได้เวลาเข้าไปทําข้อวัดอุปถัมภ์ท่านอาจารย์มั่นและผลบริหารท่านลงมาที่ฉันพอท่านออกจากที่ภาวนาตาท่านจับจ้องมองดูหลวงปู่ขาวจนผิดสังเกต ท่านเองรู้สึกกระดากอายและกลัวท่านว่าตนทำอะไรผิดไปหรืออย่างไรแตกประเดี๋ยวท่านก็พูดออกมาว่าท่านข่าวนี้ภาวนาอย่างไรคืนนี้จิตจึงสว่างสวยมากผิดกับที่เคยเป็นมาทุกๆคืนนับแต่มาอยู่กับผมต้องอย่างนี้สิจึงสมกับผู้มาสแสวงธรรมทีนี้ท่านทราบหรือ ย, อยังว่าทำอยู่ที่ไหนคืนนี้สว่างอยู่ที่ไหนละ่ะท่านข่าวสว่างอยู่ที่ใจครับผมท่านเรียนตอบทั้งกลัวทั้งอายแทบตัวสัน่น ที่ม่เคยได้รับคำชมเชยแกมคำสักถามเช่นนั้นแต่ก่อนทำไปอยู่ที่ไหนเราท่านจึงไม่เห็นนั่นแหละทำท่านจงทราบเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปทำอยู่ที่ใจนั่นแลต่อไปท่านจงรักษาระดับจิตระดับความเพียรไวให้ดีอย่าให้เสื่อมได้นั่นแลคือฐานของจิตฐานของธรรมฐานของความเชื่อมั่นในธรรมและฐานแห่งมรรคผลิพานอยู่ที่นั่นแล จงมั่นใจและเข้มแข็งต่อความเพียรถ้าอยากพ้นทุกข์การพ้นทุกข์ต้องพ้นที่นั่นแน่นอนไม่มีที่อื่นเป็นที่หลุดพ้นอย่าลูบคลำให้เสียเวลาเราไม่ใช่คนตาบอดพอจะลูบครลำคืนนี้ผมส่งกระแสจิตไปดูท่านเห็นจิตสว่างสวายทั่วบริเวณกําหนดจิตส่งกระแสไปที่ไรเห็นเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดจนสว่างเพราะคืนนี้ผมไม่ได้พักนอนเลยเข้าสมาธิภาวนาไปบ้างตอนรับแขกเทพ บ, บ้าง กำหนดจิตดูท่านบ้างเรื่อยมาจนสว่างโดยไม่รู้สึกพอออกจากที่จึงต้องมาถามท่านเพราะอยากทราบเรื่องของหมูคณะมานานสบายไหมอัศจรรย์ไหมทีนี้ท่านถามท่านละวาดท่านนิ่งไม่กล้าเรียนกรอบท่านเพราะท่านดูตับดูปอดเราจนหมดแล้วจะเรียนต่อเพื่อประโยชน์อะไรนับแต่วันนั้นมายิ่งกลัวและระวังท่านมากขึ้น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 ท่านช่วยรักษาจิตรักษาธรรมให้เรากลัวจะเสื่อมไปเสียนับแต่นั้นมาก็ได้จำภาษากับท่านเรื่อยมาพอออกภรษาแล้วก็ออกเที่ยวบำเพ็ญในที่ต่างๆที่เห็นว่าสะดวกแก่ความเพียรท่านอาจารย์เองก็ไปอีกทางหนึ่งโดยลำพังท่านไม่ชอบให้พระติดตามต่างองค์ต่างแยกกันไปตามอัธยาศัยเมื่อเกิดข้อคงใจคอยไปเรียนถามเพื่อท่านชี้แจงแก้ไขให้เป็นพักๆไปความเพียรทางใจของหลวงปู่ขาว นับวันเจริญก้าวหน้าสติปัญญาค่อยแตกขแขนงออกไปโดยสมอำเสมอจนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจอริยาบทต่างๆเป็นอยู่ด้วยความเพียรมีสติกับปัญญาเป็นเพื่อนสองในการประกอบความเพียรจิตใจรู้สึกอาถารชาญชัยไม่วันเกรงต่ออารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกและแน่ใจต่อทางพ้นทุกข์ไม่สงสัยแม้ยังไม่หลุดพ้นจากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลัว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 ผมเองซึ่งมีนิสัยอยากจึงมักเชื่อต่อการทรามานชนิดเก็บหยากเพื่อให้ท่านกับกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติหยาบที่มีอยู่ในตนดันคราวช่างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะกําลังเดินจงกรม อ, อยู่เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอานาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีไม่ดีเราพูดจะฆ่ามันให้จิบหายสิ้นสากไปแต่กลับจะตายไปก่อนมัน เพความเหนียวแน่นแก่็นอาสะวะที่เกาะกินเรามานานเสียด้วยซ้ำแต่พอเข้าตาจนได้ได้ช้างใหญ่มาช่วยปราบเท่านั้นกิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียนเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายตั้งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดเรากับน้ํามันเครื่องหล่อเลืน่นไม่ฝ่าฟื้นดังที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจทำที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกัน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 ส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทรงกิเลสและทำนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบปลีกปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทําให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกําเริบลมพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกําจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวตะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสําหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจ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 ไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบลำพองและทําความพยายามกําจัดปากเต่าด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดกลิดกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือาาพาช้าเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยสัพพธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทําทลายเข้าวิชานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตต์หลุดพ้นก็ดี และคำว่ากิเลสเสื่อมอำนาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลําดับไม่กําหนดสถานที่เวลานาทีพอดีหรือกิเลสตายไปกำหนดสิ้นภายในใจก็ดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บําเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบครอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดระดับของกิเลส ท, ทั้งมวลโรซาไว้อย่างถึงใจว่าทําเจริญหน้าที่ใดกิเลสจ้อมเสื่อมระดับศูญไปณที่นั้น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 เพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนได้ถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนหมู่คณะก็ไม่ได้เห็นกองทุกข์และความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศาจรรย์เกินคาดทั้งหลายที่มีเคยรู้เคยเห็นมาก่อนแสดงขึ้นหน้าที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงคติใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่เกิดและสถิตอยู่แห่งธรรมแ้ะกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีเท่า ก, กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอํนนานาจมากเหนือสิ่งใดๆ ใ, ในโลกทั้งสามที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิชิด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 นี้เป็นใจความโอวาทีท่านอาจารย์มั่นตั้งสอนอย่างถึงเหตุถึงคนจากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลุวเพราะเชื่อทำรรอย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมกับทำบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน้ําแบบขอนซุงแน่นอนความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขันทํำไมคับขันจิตมักเล่นตัวยั่วเราด้วยกิเลนชนิดต่างๆ ไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทันยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตาระเนงไม่มีความสามารถหักข้ามตามแก้มันใหุ้กไปได้เลยพอเวลาเข้าที่ขับขันจนมุมจริงๆกําลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนใจก็หมอบและยอมเชื่อเราเชื่อธรรมไม่ฝ่าฝืนกําหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับทำหมดใดก็อยู่อย่างนั้นไม่ฝ่าฝืนคงจะเป็นเพราะความโกรธตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืนจึงกลายเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงในเวลาเช่นนั้น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 รู้สึกปึกทรมานยากดีไม่ดีเราพูดจะฆ่ามันให้ชีบหายสิ้นซากไปแต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นเก่็นอาสวะที่ก่อกินเรามานานเสียด้วยซ้ำแต่พอเข้าตาจนได้ได้ช้างใหญ่มาช่วยปราบเท่านั้นกิเล ต, ตัวดื้อด้านต้านทานความเพียนเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายฟังให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับทำบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดเรากับน้ำมันเครื่องหลอ่อเลือดไม่ฟ้าฟื้นดังที่เคยกันมาเลย พอกิเลสขยายตัวออกจากใจทมที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็แสดงความสว่างสวยและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่งขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นให้ได้ชมอย่างเต็นใจที่กระหายมานานความกลัวตายไม่ทราบหายหน้าไปไหนจึงทําให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตามานานเราดีๆนี่เองพอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดทวงรวนใจดับลงไปแล้วแม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็ทําให้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 กิเลสทแท้ทำแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทูลกิเลสและทำนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบหลีกหลีกลัวจากสิ่งยัวย่วยวนกวนใจอันจะทําให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกําเริบลําพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกําจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัฏฏะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสําหรับนักบวชทุกหวังความพ้นทุกภายในใจ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 ไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบรำพองและทำความพยายามกำจัดปากเต่าด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดจิ่กลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือป่าชาเาผาฐานกิเลสทั้งมวลด้วยตบะธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเาผาผลาญทาลายธรรมชานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตตหลุดพ้นก็ดี และคําว่ากิเลสเสื่อมอำนาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลําดับไม่กําหนดสถานที่เวลานาทีก็ดีหรือกิเลสตายไปจหมดสิ้นภายในใจพอดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บําเพนอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบครอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดระดับของกิเลสทั้งมวลโรทราบไว้อย่างถึงใจว่าทำเจริญหน้าที่ใดกิเลสจ้อมซสืมระดับศูงไปนะที่นั้นคําว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากัน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 ก็ไม่ได้เห็นกองทุกข์และความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาทั้งหลายที่มีเคยรู้เคยเห็นมาก่อนแสดงขึ้นหน้าที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงคติใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่เกิดและสถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีเท่า ก, กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเด็นสิ่งที่มีอํนนานาจมากเหนือสิ่งใดๆในโลกทังสารที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมีชิดแม้เครื่องมือทําการขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพาน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 สั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผลจากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลัวเพราะเชื่อทำอย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมกับธรรมบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน้ําแบบขอนทรงแน่นอนความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาขับขันทำไมขับขันอิดมักเล่นตัวยั่วเราด้วยปิเลชินีต่ต่างๆไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทัน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 ยอมจำนวนหมอบราบและสิ้นศูนย์ไปจนไม่มีเหลือเป็นเชื้ออีกต่อไปผมเองซึ่งมีนิสัยหยาบจึงมักเชื่อต่อการทรมานชนิดเจหยาบเพื่อให้ท่านกับกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติหยาบที่มีอยู่ในตนด่านคราวช่างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะกําลังเดินชงครม อ, อยู่เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้ามากครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีไมด่ดีเราพูดจะฆ่ามันให้ชิพหายสิ้นซากไป แต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นแก่็นอาสวะที่ก่อกินเรามานานเสียด้วยซ้ําแต่พอเข้าตาจนได้ได้ช้างใหญ่มาช่วยกราบเท่านั้นกิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียนเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดเล่ากับทั้งมันเครื่องหล่อเลื่อนไม่ฟ่าเืินดังที่เคยเกินมาเลยเพราอกิเลสขยายตัวออกจากใจทมที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกัน